หมวดยัตตนะและหมวดธาตุในขณะเห็นรูปจักขุประสาทชื่อว่าจักขายัตนะจักขุธาตุรูปารมณ์ชื่อว่ารูปายตนะรูปธาตุจิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะเห็นชื่อว่ามายายัตนะเมื่อจิตจำแนกจิตโดยธาตุได้ดังนี้คือจิตที่ทำหน้าที่เห็นรูป ชื่อว่าจักขุวิญญาณธาตุจิตที่ทำหน้าที่ได้ยินชื่อว่าโสตวิญญาณธาตุเป็นต้นอวัชนะจิตที่เกิดก่อนจักขุวิญญาณซึ่งทำหน้าที่พิจารณาสิ่งที่เห็นและสัมปติชนะจิตซึ่งเกิดต่อจากจักขุวิญญาณทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ไว้ชื่อว่ามโนธาตุจิตที่เกิดในลำดับต่อมาคือสันติรณ ะ, ะจิต ทำหน้าที่ไตรสวนอารมณ์โวทัพพระณจิตทำหน้าที่ตัดสินอารมณ์ว่าดีหรือไม่ดีชวนาจิตเหมือนกับแล่นเข้าไปหารูปารมณ์และตถารรมณะจิตเกิดต่อจากชวนาจิตทำหน้าที่รับเอาอารมณ์ของชวนาจิตจิตทั้งหมดนี้มีชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุเจตสิก ท, ทาหน้าที่ปรุงแต่งจิตเช่น การกระทบอารมณ์การเสวยอารมณ์การจำได้หมายรู้ความตั้งใจความยินดีพอใจความไม่พอใจและความเลื่อมใสเป็นต้นชื่อว่าธรรมญาตนะธรรมธาตุจิตและเจตสิกทั้งหมดมีสภาพน้อมไปสู่อารมณ์จึงชื่อว่านามส่วนจกักขคูประสาทและรูปปารณ์ ชื่อว่ารูปเพราะไม่น้อมไปสู่อารมณ์และแปรปรวนเมื่อประสบกับสิ่งที่ตรงกันข้ามมีความเย็นความร้อนเป็นต้นสรุปความว่าผู้ที่เจริญสติตามรู้สภาวะการเห็นเมื่อกําหนดว่าเห็นหนาจัดว่าเป็นผู้รับรู้รูปนามสองอย่างอายตนะสี่อย่างและธาตุหกอย่างตามสมควร ในขณะได้ยินเมื่อกำหนดว่าได้ยินหนาจําแนกได้ดังนี้คือโซตะประสาทเป็นรูปขันอยัตนะโซตะธาตเสียงเป็นรูปขันศัทธายัตนะศัทธาธาต์การได้ยินเป็นนามขันมานายัตนะโซตะวิญญาณธาตมโนธาต์มโนวิญญาณธาต ธรรมายตนาธรรมธาตุโสตวิญญาณจิตเป็นมานายตนาะโสตวิญญาณธาตุวิถีจิตที่เหลือเป็นมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุส่วนเจตสิกที่ประกอบเป็นธรรมายตนะธรรมธาตุในขณะรู้กลิ่นเมื่อกําหนดว่ารู้หนอะจำแนกได้ดังนี้ คือคานะประสาทเป็นรูปขันคานายตนะคานาธาตกลิ่นเป็นรูปขันคันทายตนะคันธาธาตการรู้กลิ่นเป็นนามขันมนายตนะคานวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุญญา ธ, าตธรรมายตนะธรรมธาต ในขณะลิ้มรสเมื่อกําหนดว่ารู้หนอหรือลิ้มหนอจําแนกได้ดังนี้ชิวหาประสาสเป็นรูปขันชิวหายตนะชิวหาธาตุรสเป็นรูปขันรษ า, ายตนะรษธ า, าตุการลิ้มรสเป็นนามขันมนายตนะ ชิวหาวิญญาณธาตุมโนธาตุมนโนวิญญาณธาตุธรรมายตนะธรรมธาตุในขณะสัมผัสเมื่อกำหนดว่าถูกหนอจําแนกได้ดังนี้คือกายประสาทเป็นรูปขันกายายตนะกายธาตุสัมผัสเป็นรูปขันโพธ พ, พายตนะ โหทัพพาธาตุการสัมผัสเป็นนามขันเป็นนายตนะกายวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุธรรมายตนะธรรมธาตุในขณะนึกคิดเมื่อกำหนดว่าคิดหนอจจำแนกได้ดังนี้คือจิตที่เป็นสภาวะรับรู้อารมณ์ เป็นนามขันธรรมายตนะมโนวิญญาณธาตุเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตเช่นการกระทบอารมณ์การเสวยอารมณ์เป็นต้นเป็นนามขันธรรมายตนะธรรมธาตุสุขุมะรูปจัดเป็นธรรมายตนะธรรมธาตุกราวคือหัยวัตถุ เป็นที่อาศัยเกิดของจิตที่นึกคิดอิทธิภาวะรูปเป็นเหตุแห่งความเป็นหญิงปริสภาวะรูปเป็นเหตุแห่งความเป็นชายด้วยเหตุนี้ผู้ที่ตามรู้จิตที่คิดฟุ้งซ่านว่าคิดหนอฟุ้งเนอหรือตามรู้จิตที่คิดอยากจะทำอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่งว่า อยากเกียรตินออยากคู่นอเป็นต้นจัดว่าเป็นผู้รับรู้รูปนามสองอย่างอายตนะสองอย่างและท่าสองอย่างตามสมควรอันหนึ่งอารมณ์ที่ปรากฏในขณะรับรู้ธรรมารมณ์อาจเป็นบัญญัติหรือปรมติได้ทั้งสองอย่างหมวดสังโยชน์ในหมวดนี้ พระพุทธองค์ตรัสถึงการตามรู้สังโยชน์ที่เกิดขึ้นในขณะเห็นเป็นต้นอีกด้วยสังโยชน์คือสภาพที่ผูกกล่าวสัตว์ไว้ในวัฏฏสงสารโดยทำให้เวียนตายเวียนเกิดจากภพเก่าไปสู่ภพใหม่มีสิบอย่างคือ 1. การมราคะความยินดีในการมะคุณทั้งภายในและภายนอกร่างกายของตน 2. ปฏิฆะการประทุษร้ายในอารมณ์ได้แก่ความหงุดหงิดไม่พอใจโกรธเกลียดบองร้าย 3. ม, มานะความเย่อหยิ่งถือตัว 4. ทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีอัตตาหรือวิญญาณซึ่งไม่สูญสลายและติดตามตนไปทุกๆชาติ 5. วิจิกิจฉาความสงสัยไม่ตกลงใจ คือวิภาควิจาร์ในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กรรมและผลกรรมหกศีลปะธรรามาตความยึดถือศีลพรสนอกศาสนาที่ประพฤติดังสุนักหัว ว, ว่าเป็นทางหลุดพ้นเจ็ภวะราคะความพอใจในรูปอรูปประพบหรือรูปฌปาน อรุปฌานเป็นต้นสำคัญว่าดีเลิศ 8. อิจสาความริษยาไม่พอใจในสมบัติหรือคุณความดีของผู้อื่น 9. มัจฉริยะความหวงแหนทรัพย์สมบัติหรือคุณความดีของตนโดยต้องการให้เกิดแก่ตนเท่านั้นไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้รับ 10. อวิชา ความไม่รู้จริงในสภาวะของรูปนามการปิดบังสภาพตามความเป็นจริงไว้คือความหลงสังโยชน์สิบเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นตามสมควรแก่บุคคลผู้ไม่ได้เจริญสติรับรู้รูปนามปัจจุบันเป็นอารมณ์นักปฏิบัติพึงตามรู้ตามสภาวะนั้นๆว่าชอบหนอเป็นต้น การตามรู้อย่างนี้จัดเป็นการรับรู้การใส่ใจโดยไม่แยกคายอโยนิโสมณสิการที่ทำให้เกิดสังโยตและการใส่ใจโดยแยกคายด้วยการกำหนดรู้สังโยตที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งทำให้สังโยต ด, ดับไปว่าอันหนึ่งสังโยตที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้น สังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นนอกจากนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสต่อไปว่าสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นข้อความนี้หมายความว่ามักเป็นธรรมที่ละสังโยชน์ได้โดยสิ้นเชิง เมื่อนักปฏิบัติ บ, ตบรรลุมรรคแล้วเกิดปัจเจทวกขณะยาณจึงจะรู้ว่าตนละสังโยชน์อย่างไหนได้บ้างกล่าวคือสักยะทิฏฐิวิจิกิชิชฌาศิลปะปรามาตอิสาและมัชเชริยะถูกละด้วยโสดาปติมรรคกามราคะและปฏิฆะอย่างยาถูกละด้วยสักทาคามิมรรค การมาราคะและปฏิฆะอย่างละเอียดถูกละด้วยอนาคามิมากมานะภาวะราคะและอวิชาถูกละด้วยอรหัตตมักแม้พระโสดาบันจะละความตระนีได้โดยสิ้นเชิงแต่ท่านไม่ได้บริจาคทุกสิ่งแก่ผู้ที่มาขอมิฉะนั้นแล้วท่านก็คงจะสิ้นเนื้อประดาตัวอย่างแน่นอน ท่านมักบริจาคแก่ผู้รับอย่างพอดีกับอัตภาพของตนดังเรื่องของนางอุบลวณาเทรีซึ่งไม่ได้ถวายผ้าสบงแก่พระอุทายีผู้มาขอรับบริจาคโดยกล่าวว่าท่านผู้เจริญธรรมดาว่าพวกเราวหล่าวมาตุคามมีลาบน้อยหาได้ยากและชีวอนี้ก็เป็นผืนที่ห้ผืนสุดท้ายดิฉันจักไม่ถวาย นางอุบลวันนาเถรีเป็นพระอระหันต์ผู้ละกิเลส ท, ทั้งหมดได้แล้วแต่ไม่ได้ถวายสบงแก่พระอุทายีเพราะไม่ควรถวายแก่ผู้อื่นในขณะนั้นหมวดพชนชงเมื่ออุทภพยายาน ที่ยังเห็นความเกิดดับได้เกิดขึ้นแล้วสติที่คมชัดอันสามารถระลึกรู้เท่าทันสภาวะธรรมปัจจุบันเหมือนเงาติดตามตัวย่อมเกิดขึ้นสติดังกล่าวส่งผลให้จิตแนบแน่นจมลงในอารมณ์ปัจจุบันดังคำพีอัตถกถากล่าวว่าสติอปิลาปณะลักคนาสติมีลักษณะ ทำให้จิตไม่เลื่อนลอยสติอย่างนี้ชื่อว่าสติสัมโพชฌงเพราะอำนวยผลให้มรรยาณได้ในขณะนั้นนักปฏิบัติจะเกิดปัญญารู้เห็นลักษณะพิเศษของรูปนามอย่างชัดเจนตลอดเวลาที่ตามรู้ปัจจุบันและสามารถอย่างเห็นไตรลักษ์คือความไม่เที่ยงซึ่งเป็นความเกิดดับอย่างรวดเร็ว ความทุกข์ซึ่งเป็นความอึดอัดไม่น่าปรารถนาและความไม่ใช่ตัวตนซึ่งไม่มีใครบังคับบัญชาได้ปัญญาอย่างเห็นเช่นนี้ชื่อว่าธรรมวิจยะสัมโพธชงในขณะดังกล่าวความเพียรที่พอดีไม่หย่อนไม่ตึงเกิดขึ้นในทุกขณะที่จเจริญสติอยู่ ความเพียร น, นี้ไม่ตึงจนส่งผลให้เกิดความฟุง้งซ่านและไม่หย่อนจนส่งผลให้เกิดความง่วงซึมเศร้าจึงชื่อว่าวิริยะสมโพธชงความอิ่มใจคือปีติห้าประการที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติธรรมชื่อว่าปีติสมโพธชงความสงบกายสงบใจที่เกิดขึ้นในขณะนั้นชื่อว่าปสัสสธิสมโพธชง ความอิ่มใจและความสงบกายสงบใจเหล่านี้มักเกิดขึ้นในขณะเริ่มบรรลุอุทยพยยายานและปรากฏชัดเจนเป็นบางครั้งเมื่อบรรุษพังขยานเป็นต้นไปแต่เมื่อบรรุสังขารุปเปกขาญาณซึ่งเป็นญาณสิออันเป็นญาณสูงสุดของปุุชนบางขณะ อาจเกิดต่อเนื่องเป็นเวลานานเมื่อนั้นนักปฏิบัติย่อมได้รับความสุขที่ไม่เคยประสบมาก่อนอย่างท่วมท้นในทุกๆขณะที่ยืนเดินนั่งนอนบางขณะอาจรู้สึกว่ามีความเย็นสบายกระจายตามร่างกายด้วยกำลังของความอิ่มใจบางขณะก็รู้สึกถึงความสงบใจโดยปราศจากความเร่าร้อน นักปฏิบัติทุกท่านผู้เกิดสภาวะธรรมเช่นนี้จะเกิดความยินดีรื่นรมในธรรมซึ่งมีความสุขเหนือกว่าความสุขอิงกรรมคุณดังพระพุทธพจน์ว่าสัพพะรติงธรรมรติชินาติความยินดีในธรรมชนะความยินดีทุกอย่างสมาธิทั่วขณะ ซึ่งแนบแน่นอยู่ในสภาวธรรมปัจจุบันโดยปราศจากนิวรณ์รบกวนจิตอันเป็นเหตุให้เกิดปัญญาที่ยังเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงชื่อว่าสมาธิสัมโพธชงความสม่ำเสมอในการรู้เท่าทันโดยวิริยะกับสมาธิมีความสมดุลกันชื่อว่าอุเบกขาสัมโพธชงองค์ธรรม คือตัดรักมัดชัดตตาเจตเสกอุเบคาประเภทนี้ปรากฏขึ้นยากและอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ยากแต่นักปฏิบัติที่บรรลุอุทยัพยายานเป็นต้นไปแล้วจะสามารถรับรู้อุเบคานี้ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนได้เบื้องแรกของการปฏิบัติธรรมนั้น อินรี่ห้คือศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิและปัญญามีกำลังน้อยและศรัท ธ, ธาไม่สม่ำเสมอกับปัญญาวิริยะไม่สม่ำเสมอกับสมาธิส่งผลให้ไม่ประสบความก้าวหน้าเท่าที่ควรลักษณะของการไม่สม่ำเสมอกันคือในบางขณะศรัท ธ, ธามีกำลังมากกว่าปัญญา โดยเฉพาะเมื่อเริ่มรู้ลักษณะพิเศษของรูปนามอย่างชัดเจนและความเกิดดับของรูปนามบางท่านเกิดศรัทธาแก่กล้าจนไม่ได้เจริญสติอย่างต่อเนื่องแต่ไปดำริด้วยความเลื่อมใสว่ามีเพียงรูปนามเท่านั้นไม่มีบุคคลเราของเราและทมที่ดำรงอยู่นานกว่าการกระพริบตาครั้งหนึ่งย่อมไม่มีเลย ทำทั้งปวงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ธรรมอย่างแท้จริงพระธรรมคำสอนที่ถูกต้องคำสอนของวิปัสสนาจารย์ก็ร้อยตามพระพุทธพจน์เป็นต้นในบางขณะปัญญามีกำลังมากกว่าศรัทธาส่งผลมิให้เจริญสติต่อเนื่องแต่ไปคิดพิจารณาว่า สิ่งที่รับรู้รูปหรือนามเป็นผัสสะหรือเวทนาเป็นลักษณะหน้าที่อาการปรากฏหรือเหตุใกล้เป็นต้นในบางขณะวิริยะมีกำลังมากกว่าสมาธิส่งผลให้เครียดกับการปฏิบัติและมีความฟุ้งซ่านรบกวนจิตอยู่เสมอไม่อา จ, จเจริญสติอย่างต่อเนื่องในบางขณะ สมาธิมีกำลังมากกว่าวิริยะส่งผลให้ความม่วงซึมเศรา้าครอบงำจิตไม่อา จ, จเจริญสติอย่างต่อเนื่องอุเบขาที่เรียกว่าตัดระมัดชตตานี้เป็นเครื่องปรับศรัทธากับปัญญาและวิริยะกับสมาธิให้สม่ำเสมอกันส่งผลให้ไม่คิดเลื่อมใสหรือคิดพิจารณา พร้อมทั้งมีความฟุ้งซ่านและความง่วงซึมเศราในขณะนั้นนักปฏิบัติจะตามรู้สภาวะธรรมปัจจุบันได้อย่างชัดเจนยิ่งไม่ขาดสติลืมระลึกรู้เท่าทันความเป็นจริงพระพุทธองค์ตรัสการเจริญสติสัมโพ์ชงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าดูกร ะ, ระภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้เมื่อสติสัมโพธิชงมีอยู่หน้าภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพธิชงมีอยู่หน้าภายในจิตของเราหรือเมื่อสติสัมโพธิชงไม่มีอยู่หน้าภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพธิชงไม่มีอยู่หน้าภายในจิตของเรานอกจากนี้ นักปฏิบัติย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชงเกิดจากโยนิโสมนาสิการคือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องจนเป็นเหตุให้เกิดสติสัมโพชงความตั้งใจว่าจะอบรมจิตให้เกิดสติสัมโพชงและการใส่ใจอารมณ์ที่น่าเลื่อมใสมีพระพุทธคุณเป็นต้นอันหนึ่ง ในขณะที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วพิจารณาด้วยปัจจเวคณะย่อมรู้ชัดได้ว่าเจริญสติสัมโพธชงอย่างบริบูแล้วสมจริงดังพระพุทธพจน์ว่าอันหนึ่งสติสมโพธชงยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นสติสมโพธชงที่เกิดขึ้นแล้ว จะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นแม้ธรรมะวิเชยะสัมโพธ์ชงเป็นต้นก็มีลักษณะเดียวกันหมวดอริยสัจอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐมีสี่อย่างคือหนึ่งทุกขสัจความจริงคือทุกข สสมุทยาศาสตร์ความจริงคือเหตุแห่งทุกข์สนิโรธศาสตร์ความจริงคือความดับทุกข์สีม่มัคศาสตร์ความจริงคือทางดับทุกข์ทุกขาศาสตร์คือความทุกข์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจแบ่งออกเป็นประเภทคือชาติทุกข์ทุกข์คือความเกิดอันเป็นการอุบัติของรูปนามในภพหนึ่งภพหนึ่งชาราทุกข์ ทุกคือความแก่ของรูปนามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมรณะทุกทุกคือความตายเป็นความดับศูนย์ของรูปนามโดยไม่เกิดขึ้นอีกในพบนั้นๆต่อจากนี้ทุกยังมีอีกเจ็ประเภทคือทุกข์ทุกขทก์ทุกแท้ที่ทนได้ยากคือความทุกข์กายอันได้แก่ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ใจอันได้แก่ความไม่สบายใจความเศร้าโศกเสียใจ วิปรินามทุก์ทุกแปรปรวนคือความสุขทางกายและใจซึ่งมิได้คงอยู่ตลอดไปเมื่อแปรปรวนไปก็ทำให้ผู้ที่ได้รับความสุขเกิดความทุกข์สังขารทุก์ทุกประจําสังขารคือรูปนามทั้งหมดที่เป็นโลกิยธรรมพร้อมทั้งอุเบกขาเวทนายกเว้นตัณหาสังขารทุกนี้ ครอบคลุมทุกในทุกข์สัตย์ทั้งหมดแม้สุขเวทนาและทุกขเวทนาก็นับเข้าในสังขารทุกเช่นเดียวกันดังข้อความในสลายตนะวักเวทนาสังยุตว่าดูกระภิษุคาว่าเวทนายัางใดอย่างหนึ่งมีอยู่เวทนานั้นเป็นทุกตถาคตกล่าวหมายถึงความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายแม้สุขเวทนา และทุกขเวทนาก็นับว่าเป็นสังขารทุกข์เหมือนกันแต่สุขเวทนาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อแปรปรวนจากเดิมจึงมีชื่อเฉพาะว่าวิปริณามทุกข์และทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์ที่ทนได้ยากอย่างแท้จริงจึงมีชื่อเฉพาะว่าทุกขทุกขปฏิจฉันทุกข์ทุ ก, ทกปก คือทุกข์ที่คนอื่นรับรู้ไม่ได้เช่นปวดหัวปวดฟันตัวร้อนความลำบากกายความลำบากใจความโทมนัสน้อยใจบางแห่งเรียกว่าอปากตะทุกข์คือทุกข์ไม่ปรากฏชัดอปะติดชั้นนัดทุกข์ทุกข์ไม่ปกปิดเช่นความทุกข์กายที่เกิดจากแผลมีดแผลหอกแผลไม้ฝี ในบางแห่งเรียกว่าปากระตะทุกข์คือทุกปรากฏชัด์นิปริยาญทุกขทุกโดยตรงคือทุกขเวทนาปริยายาทุกข์ทุกขโดยอ้อมคือชาติทุกขเป็นต้นนอกจากทุกขเวทนาแม้ทุกเหล่านี้จะไม่ใช่สภาพที่ทนได้ยากก็เป็นเหตุเกิดของความทุกข์กายและความทุกขใจในโอกาสต่อไปชาติทุกข ชาราทุกข์และมรณะทุกข์จัดเป็นทุกขศัสตร์เพราะเป็นทุกขโดยอ้อมแม้ความเศร้าโศกความคล้ำกรวนความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจก็จัดเป็นทุกขศาสตร์เช่นเดียวกันเพราะเป็นทุกขโดยตรงความจริงแล้วชาติเป็นต้นเกิดจากอุปทานขันหคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร และวิญญาณถ้าไม่มีอุปทานอันาแล้วความเกิดเป็นต้นก็มีไม่ได้ดังนั้นกล่าวโดยย่ออุปทานอาคารหที่ปรากฏในขณะเห็นได้ยินเป็นต้นจึงชื่อว่าทุกเพราะเป็นทุก์ประจําสังขารที่แปลปรวนและเป็นที่ตั้งของชาติทุกข์เป็นต้นสมจริงดังพระพุทธพ์ว่า ดูกระภิกสุทั้งหลายอริยสัตว์คือทุกข์เป็นไนะได้แก่ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความเศร้าโศกลั่ำครวนความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเป็นทุกข์การพบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบเป็นทุกข์การพลัดพรากจากอารมณ์ที่ชอบเป็นทุกข์และการ ไม่ได้รับอารมณ์ที่ปรารถนาเป็นทุกข์โดยสังเกตอุปทานขันธ์หเป็นทุกข์สมุทัยศัสตร์คือตัณหาที่เพลิดเพลินยินดีอุปทานขันธ์5ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามน่าพอใจผู้ที่มีตัณหาอยู่ย่อมจะทำกรรมดีหรือกรรมชั่วด้วยความต้องการจะให้ตนเป็นสุขในปัจจุบันหรืออนาคตกรรมที่บุคคลทาไว้ในแต่ละภพ จึงมีมากมายนับไม่ถ้วนอย่างไรก็ตามกรรมที่ให้ผลปฏิสนธินั้นเป็นกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีกําลังซึ่งกระทําเมื่อใกล้าตายหรือสั่งสมไว้เป็นนิดย่อมมาปรากฏให้เป็นอารมณ์ในเวลาใกล้าตายหรืออารมณ์ที่เป็นอุปกรณ์ของกรรมนั้นๆเช่นดอกไม้บูชาพระหรืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งของพบใหม่ เช่นวิมานย่อมมาปรากฏเหมือนฝันเห็นผู้ที่ยึดหน่วงอารมณ์ทั้งสามคือกรรมกรร ม, มนิมิตหรือคตินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้แล้วย่อมไปเกิดในภพนั้นๆหลังจากเสียชีวิตแล้วโดยมีอุปทานขันหอุบัติขึ้นในภพใหม่ความเกิดขึ้นเป็นเบื้องแรกของอุปทานขันจัดเป็นชาติทุกความแก่ของขัน เป็นชาราทุกข์ความดับของขันในภพนั้นๆเป็นมรณะทุกข์ความเศร้าโศกและความคร่ำครวญเป็นต้นที่เกิดตามเหตุปัจจัยในภพนั้นก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกันดังนั้นอุปทานขันที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องในขณะเห็นได้ยินจึงเป็นทุกข์สัตว์ทุกข์สัตว์เกิดจากกรรม ส่วนกรรมเกิดจากตัณหาผู้ที่ละตัณหาแล้วย่อมไม่ทำกรรมใหม่แม้กรรมเก่าของท่านก็ไม่ให้ผลเป็นปฏิสนธิในภพใหม่เพราะรากแก้วคือตัณหาถูกตัดขาดได้แล้วจะเห็นได้ว่ามูลเหตุของอุปาทานขันก็คือตัณหานั่นเองสมจริงดังพระพุทธพจน์ว่าดูกระภิกษุทั้งหลาย อริยสัจคือทุกขสมุทยัยเป็นฉชนนยได้แก่ความผูกพันที่ก่อให้เกิดพบใหม่ประกอบด้วยความยินดีพอใจเพลิดเพลินพบและอารมณน์ น, นั้นๆกล่าวคือความผูกพันในก ร, รมคุณอารมณ์ความผูกพันมีความเห็นผิดว่าพบเที่ยงและความผูกพันที่มีความเห็นผิดว่าพบขาดศูนย์